แมมสาวกับซิปกระซาบแต่ดารินไม่สนใจเพราะความเหน็ดเหนื่อยและสภาพของป่าที่แหลล้อมเป็นลายเส้นพันยุ่งเหยิงกันไปหมดชวนให้ตาลายวิ่งเวียนเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกฏก้มหน้าก้มตาเดินแต่อย่างเดียวไม่มีเวลาพอที่จะสำรวจจดจำหรือตรวจตาภูมิประเทศที่ผ่าน สำหรับเชื้ท้าและชายันสังเกตเห็นพานใหญ่สอท่าอึดอัดกังวลผิดไปกว่าทุกครั้งขณะที่ผ่านเข้าไปในดงลักษณะแปลกประหลาดนี้ทุกฝีก้าวย่างของเขาเต็มไปด้วยความระมัดระวังยิ่งยวดและใช้สายตาตลอดจนความสังเกตอันรอบคอบมากที่สุดในที่สุดการเดินก็ต้องแหวกทางไปด้วยมีดซึ่งใช้ตัดลิตร แหวกช่องทางอาศัยผ่านไปได้เป็นระยะหลายต่อหลายครั้งเขาชี้ให้คณะนายจ้างดูเถาวัลย์เส้นขนาดฝักมะรุมที่พันแห้งเหี่ยวอยู่กับต้นไม้และเถาวัลย์ขนาดใหญ่ชนิดอื่นอธิบายให้ทราบ ว, ว่ามันเป็นเถาวัลย์น้ําแต่มันหาประโยชน์อันใดไม่ได้เพราะแห้งเกาะตายซาบอันแสดงว่าพื้นเบื้องล่างแห้งสนิทไม่มีฝนมาเป็นเวลานานและเถาวัลย์น้ําเหล่านี้เหี่ยวเฉาตายไปด้วยไม่สามารถจะดูดน้ําขึ้นมาหล่อเลี้ยงได้ยกเว้นพวกที่มีรากฝังลึกลง ไปในดินเส้นหนึ่งที่จอมพานทดลองตัดออกดูพอสังเกตเห็นผิวพอจะมีแววสดอยู่บ้างแต่ก็ต้องผิดหวังแกนในของมันปราศจากน้ำแม้แต่สักหยดในที่สุดก็โผล่ออกมาพบกับเวื้องตอนหนึ่งอาณาเขตราบโล่งประมาณร้อยตารางวาราวกับจะเป็นห้องโถงล้อมรอบไปด้วยผนังและหลังคาเถาวันทุกทิศมีก้อนหินขนาดใหญ่โพรงอยู่ใจกลางสองก้อนและเห็นจับเขียวไปด้วยตะไคร่น้า และเฟิน ตลอจนพวกไม้ล้มลุกที่อาศัยขึ้นอยู่บริเวณใกล้แอ่งน้ำฉาอุ่มเป็นกระย่อมขยินก็ชี้มือและร้องลั่นออกมาอย่างดีใจพบแล้วนายแหล่งน้ํำซับอยู่โน่นทั้งคณะที่กําลังอีบัดอีโรยกระโปะ ก, กระเปี้ยก็ตื่นเต้นยินดีขึ้นในบัดนั้นขยินลากบุญคําซึ่งแบกหามคู่กันพาวิ่งลื้ตรงเข้าไปคนอื่นๆก็พลอยวิ่งเข้ามาด้วยราวกับจะแลเห็นคุ้มซัพย์มหาศาลเสียงเจ้ากะเลียงลมช้างหัวเราะร่าชี้โบเบให้ทุกคนรู้ว่าว่านเสน่ จันที่ขึ้นอยู่ริมๆขอบแอ่งน้ำใสมีขนาดกว้างประมาณ 3-4 ตารางวาในระหว่างแนวขนาดพินสองลูกราวกับจะเป็นหลักปักไว้ให้เห็นสลับไปกับดอกกระถืออันมีสีแดงคําตัดความเขียวสดของใบ ขยินผู้เล่นเข้ามาถึงก่อนเป็นคู่แรกพร้อมบุญคำไม่ฟังเสียงวางหาบลงทิ้งกายนอนลงพังภาพจุ่มหน้าลงไปในแอ่งน้ําตื้นๆนั้นทันทีบุญคำกับพวกลูกหาบอื่นๆก็ปาดเข้าไปทําอาการอย่างเดียวกันด้วยความกระหายน้ําแต่แล้วทันทีนั้นเองขณะที่รลพินและกลุ่มนายจ้างเร่งรุดเข้ามาถึงขยินผู้จุ่มหน้าลงไปในน้ําก่อนคนอื่นก็เหงื่อพวดกระโดดโยงร้องวากลั่นออกมาอย่างตนกตกใจสุดขีดชี้มือโวยวายไม่เป็นภาษา ลงไปในแอ่งน้ำแคบๆมีระยะลึกเพียงสอกเศษทุกคนจ้องมองลงไปตามอาการชี้บอกอย่างลนลานของอดีตนักเลงโตหล่มช้างแล้วแทบพรางหลังความกระหายน้ำต้องการน้ำจากแอ่งน้ำที่แล่เห็นอยู่นั้นสะดุดชะงักลงชั่วขณะ เพราะความใสประดุจตาตักกแตนของน้ำในอ่างและเพราะระดับน้ำอันตื้นเพียงนิดเดียวทำให้มองทะลุลงไปเห็นพื้นหินปนกรดเบื้องล่างได้อย่างถนัดอะไรชนิดหนึ่งนอนเงียบเชียบสงบอยู่ภายใต้แอ่งน้ำนั้นสันฐานลักษณะของมันเป็นร่างกายของสิ่งที่เคยเป็นมนุษย์มองผัดถาดร่างนั้นเป็นสีน้าตา ล, ลํากลืนกับ สีพื้นของหินใต้แองน้ําหรือมิฉะนั้นก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของก้นแอ่งหันศีรษะไปตามแนวความยาวของรูปแองทางด้านตะวันตกปลายตีนชี้ไปทางตะวันออกมีเหี่ยวหนังหุ้มกระดูกทั้งสองประสานไขว้กันวางไว้บนอกอย่างสงสบศพคนใครคนหนึ่งหลุดปากออกมาเบาที่สุดจากลำคออันติดตัน พระเจ้าไปยังไงมายังไงกันนี่ศพใครมาจมแช่อยู่ในแอ่งน้ำนี้ได้อย่างไรตั้งแต่เมื่อไหร่มาเรียอุทานอย่างลืมตัวจ้องตาไม่กระพริบเชิฐากับกระพินก็สุดตัวลงก้มจ้องผ่านผิวน้ำลงไปอย่างพิจานา ช่วยกันดูให้ดีซากศพหรือว่าก้อนหินที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแน่วัหน้าคณะกล่าวโดยเร็วคนอื่นๆที่แตกพงังอะไปแต่แรกก็เข้ามาล้อมมุงดูขอบแอ่งทุกด้านศพแน่ๆไม่มีทางจะเป็นอย่างอื่นศพตายซากชายยันร้องลั่นขณะที่ก้มลงไปดูจนเกือบจดผิวน้ำพานใหญ่ไม่เอ่ยคำใดๆทั้งสิ้นค่อยๆจุ่มมือทั้งสองลงไปในน้าทางด้านปลายตีของล่างนั้นแล้วจับข้อเท้าทั้งสองไว้ เหลือบตาเม้มปากมองดูหน้าคณะนายจ้างอึ้งไปกึ่งอึดใจทุกคนอ่านสีหน้าของเขามาเป็นดตาเดียวเหมือนจะถามและแทนคำตอบจอมพานค่อยๆออกแรงลากกระชากโดยการฉุดจากข้อเท้าทั้งสองขึ้นมานอนแข็งทึ้งให้ทุกคนเห็นถนัดอยู่บนพื้นดิ่มแองมันเป็นซากศพของมนุษย์จริงๆแม้จะถูกลากขึ้นมาแล้วก็คงนอนแช่แข็งเป็นท่อนไม้อยู่ในลักษณะอาการเดิมกับที่จมแช่อยู่ในแอง ร่างนั้นเป็นชายวัยห้สเศษสูงประมาณ6ฟุตหนังสีน้ำตาลคลับหุ้มกระดูกเหมือนศพที่มา ม, มีไว้หน้าผากสูงแก้มตอบทุกสัดส่วนของร่างกายยังคงอยู่ครบถ้วนไม่มีส่วนใดบุบสลายไปทั้งสิน้นลุ่งห่มด้วยผ้าเปลือกไม้สีครับมีลูกประคําและสร้อยตาเสือคล้องอยู่ที่คอสีสะล้นเกลี้ยงทุกส่วนประกอบหรือผิวกายอยู่ในสภาพเกาะแกล ราวกับกลายเป็นหินหรือมิฉะนั้นก็ไม้เนื้อแข็งที่หมกดินมานานนับศตวรรษ ดารินดูเหมือนจะเป็นคนสุดท้ายที่เดินอ้อมมาจากด้านศีษะไปทางปลายเท้าเมื่อพิจารณาเห็นได้ถนัดพอสายตาแลไปพบใบหน้านั้นแพทย์สาวนักมนุษยวิทยาก็เข่าอ่อนตาเหลือกกว้างส่วนเซ่ทอยผงะออกมามีอาการเหมือนจะเป็นลมและพินบังเอิญไปเห็นสีหน้าอันบอกอาการช็อกเช่นนั้นก็คว้าแขนประคองไว้ทันก่อนที่หญิงสาวจะล้มลงคุณหญิงเป็นอะไรไป หลอนหลับตามือหนึ่งจับไหล่ของเขาไว้แน่นพยุงตัวไว้ไม่ให้ล้มอีกมือนึงชี้บุ้ยใบไ ป, ไปทางซากศพนั้นกระซิบออกมาเหมือนคนกําลังจะสิ้นใจไอ้คนคนนั้นไอ้ศพปลือไอ้ผีนั่นทําไมครับมันเป็นคนเดียวกับที่โผล่หน้าออกมาให้ฉันเห็นเมื่อกี้นี้ระพินภัยวันตัวแข็งทื่อแทบจะร้องออกมาดังๆหันไปทางศพตายซากลึกลับที่คณะพักทุกคนกําลังมุงดูอยู่แล้วหันกลับมาจ้องหน้าหลอนอีกครั้งระหว่างนี้คนอื่นๆยังไม่ทันหันมาสัง สังเกอาการของทั้งสองเข้าไปพิจารณาดูให้แน่สิครับมันเป็นไปได้ยังไงไม่จําเป็นถึงจะดูยังไงมันก็เป็นคนเดียวหรือศพเดียวกันนั่นแหละผิดกันแต่เมื่อกี้มันเดินได้มันกวักมือเรียกฉันได้ฉันบอกแล้วว่าฉันจํามันได้ปิดตาทีเดียวจําได้แม้กระทั่งลูกประคําที่แขวนอยู่บนคอรูปร่างลักษณะใบหน้าอันเดียวกันทุกอย่าง หลอนบอกด้วยเสียงสั่นสะท้านยกมือปิดหน้าไม่ยอมหันไปดูอยู่เช่นนั้นจอมพานมีความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวได้ถูกในขณะนี้หันไปร้องเรียกเชิดเาเบาๆหัวหน้าคณะพระความสนใจจากศพหันมาพร้อมๆกับชา ย, ยันและมาเรียก็เห็นพานใหญ่พยักหน้าเป็นสัญญาณเรียกมาจึงพากันเดินตรงเข้ามาด้วยความแปลกใจทิ้งให้กลุ่มพานพื้นเมืองห้อมล้อมศพตายซากอยู่ตามลําพังน้อยเป็นอะไรไปพี่ชายถามอย่างแปลกใจเมื่อเห็นน้องสาวนั่งเอามือปิดหน้ากายสั่นเทา โดยมีจอมพานยืนอยู่ใกล้ๆดารินยังไม่อาจพูดคำใดได้ในขณะนั้นรับพินจึงกระซิบแผวเบาบอกให้คณะพักทราบถึงสิ่งที่มนุษย์วิทยาสาวบอกกับเขาชัยยันถึงกับตาเหลือกล้องเฮ้ยออกมาอย่างลืมตัวส่วนเชษฐาได้มาเรียยืนตะลึงหัวใจแทบจะหยุดเต้นลงในบัดนั้นมาเรียกลากเข้ามาขยับตัวเพื่อนสาวซักถามเร็วปืเป็นความจริงหรือ้อย ดารินเอามือออกจากการปิดหน้านั่งนิ่งเหมือนจะสำรวมสติสัมปชัญญะหน้าตาของหลอนซีดเผือดขณะนั้นเชิดถากับชายยานันก็ประคองปีกพยุงให้ลุกขึ้นยืนชายยันเอามืออังที่หน้าผากและซอกคอของเพื่อนสาวถามมาอย่างเป็นห่วงน้อยไม่สบายไปหรือเปลารู้สึกเป็นยังไงบ้าง ฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยเพียงแค่ตกใจมากเท่านั้นและเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกเป็นปกติดีแล้วหล่อนตอบเสียงแหบผ้าขอกระติกบรันดีจากชายยันไปดื่มอีกหลายอึกเหมือนจะปลุกเลือดอันกำลังจับเป็นก้อนแข็งและกระตุ้นประสาทให้มั่นคงขึ้นแล้วก้าวเดินอาจอาจอย่างบังคับใจให้กล้าหาญมาหยุดยืนจ้องพิจารณาศพตายซากนั้นอีกครั้งแต่แล้วก็ต้องถอยห่างออกมาอีกอย่างขวัญเสียพั่นเพลึงใจเกินกว่าที่จะระงับได้ทุกคนจ้องดูอาการของหล่อนเป็นตาเดียว น้อยตาฝาดใตใช่ไหมใช้ถาเอิดยขึ้นอย่างระมัดระวัง ภาพของคนลึกลับที่โผล่ออกมาให้เห็นมันหลอนติดตาอยู่พอมาเห็นศพตายซากเข้านี้ก็เลยเห็นว่ามันเหมือนกันแล้วทุกคนก็ตัวเย็นเฉียบไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อนักผจญภัยสาวเลือดราชสกุลอยืนยันด้วยเสียงอันชัดเจนมั่นคงที่สุดว่าทีแรกก็คิดว่าตาฝาดอย่างพี่ใหญ่ว่าเหมือนกันลคะค่ะแต่เดี๋ยวนี้ยิ่งแน่ใจที่สุดดวงหน้าชนิดนี้แหละที่โผล่ให้น้อยเห็นเมื่อครู่ใหญ่นี้ตรงซุ้มถาวัรยกเว้นแต่ว่าคนลึกลับคนนั้นจะมีหน้าตาและเครื่องแต่งกายเหมือนกับศพตายซากนี้ แบบเดียวกับลูกฝาแฝดทางคณะเงียบกริบบังเอิญอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวขึ้นมาเหมือนจะจับไข้แล้วเชิฐาก็หัวเราะขึ้นเบาๆทําลายความเงียบสั่นสีสะช้าๆอย่างไม่เห็นด้วยมันจะเป็นไปได้อย่างไรน้อยนี่มันเป็นศพตายซากที่ตายมานานแล้วคนที่ไม่มีความรู้ในทางแพทย์หรือมนุษยวิทยาอย่างพี่หรือใครๆพวกเราก็จะบอกได้ว่ามันตายมานานจนกระทั่งเนื้อหนังตลอดจนส่วนประกอบอื่นๆแทบจะกลายเป็นหินไปหมด ลักษณะของมันเป็นแบบเดียวกับมัมมี่อาจเป็นร้อยปีหรือพันปีขึ้นไปส่วนคนลึกลับที่โผล่ออกมาให้น้อยเห็นมันจะต้องเป็นคนมีชีวิตน้อยก็บอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะพี่ใหญ่แต่ยืนยันได้อย่างเดียวว่าลักษณะหน้าตาและส่วนประกอบอื่นๆมันเป็นอันเดียวกันทุกอย่างแม้แต่ลูกประคำที่แขวนอยู่นั่น เธอคงไม่เข้าใจว่าศพตายซ่านี่ลุกขึ้นมาเดินจากที่ใดที่หนึ่งเดินไปปกปรากฏกายให้เธอเห็นแล้วหลังจากนั้นก็หลบมาหนีนอนแช่อยู่ในอ่างนี้นั้นไม่ใช่หรือมาเรียถามเสียงประปราสีหน้าปัญญา้นยากหรือรอยของความขนลุกขนพองปรากฏให้เห็นอยู่ในแววตาสีเขียวอันเบิกโพรงก่อนอื่นข้อแรกที่สุดเราควรจะมาวินิจฉัยกันว่าศพนี้แช่อยู่ในอ่างน้ํานี่ได้อย่างไรตั้งแต่เมื่อไหร่และมันเป็นศพที่ตายนานสักแค่ไหนเสียงห้าๆของชายยัน ระพินตรงเข้าไปสำรวจดูบริเวณโดยรอบของแอ่งน้ำแห่งนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุด พร้อมกับคนของเขาที่ช่วยกันตรวจตาค้นร่องรอยแต่ก็ไม่ได้หลักฐานใดๆทั้งสิ้นบริเวณโดยรอบเป็นพื้นแห้งแข็งทางด้านคณะนายจ้างดารินก็ใช้ความรู้ในทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์กับมนุษยวิทยาของหลอนตรวจศพอย่างระมัดระวังเมื่อรับพินกับพวกพานย้อนกลับเข้ามารวมกลุ่มเขาก็เห็นแพทย์สาวนักมนุษยวิทยากาลังใช้มีดโบวีของเชาิาทดลองขูดที่บริเวณปลายเต็นศพ ซึ่งมันมีลักษณะไม่ผิดอะไรกับขูดไม้ท่อนอันมีเนื้อไม้เหนียวแข็งแกร่งเขาหน้าและแววตาของดารินส่อให้เห็นชัดถึงความประหลาดใจระคนผ่านใจอย่างไรบอกไม่ถูกพบอะไรบ้างไหมเชษฐาหันไปถามพานใหญ่ระพินปาดแขนเสือเ้อป้ายเหงือสันศีสะไม่ได้ร่องรอยอะไรเลยครับแล้วคุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับศพที่เรามาพบแช่อยู่ในแอ่งน้าแห่งนี้ผมอยากจะทราบสภาพของศพนี้ก่อน เขาพูดขรึมๆจ้องไปทางดารินเหมือนจะขอความเห็นนักมนุษยวิทยาเคาะมีดแรงๆสองาครั้งไปที่หน้าแข้งของศพเสียงมันดังโป๊กๆเหมือนเคาะไม้ท่อนแล้วหล่อนก็ยืนขึ้นเ ม, ม้นป่าพี่ใหญ่เข้าใจถูกแล้วศพตายมานานอาจเป็นพันปีความแก่งและคงรูปของศพอาจมาจากกลวิธีอาบน้ํายาแบบมัมมี่มีตัวยาชนิดหนึ่งซึมซาบอยู่ในศพทําให้สัตว์ใดๆไม่กล้าเข้าแตะต้องแม้แต่พวกมแมลงหรือปลวก ฉะนั้นมันควรจะถูกแทะก่อนไปบ้างนี่ไม่มีเลยจนนิดเดียวลักษณะของศพกลายเป็นหินไปซะแล้วมันจะมีคุณค่าในทางฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์อีกหลายต่อหลายแขนงถ้าเราสามารถส่งซสากนี้เข้าไปในห้องแล็บได้ฉันก็ได้แต่สันนิษฐานเท่านั้นเพราะปัจจุบันเครื่องมือตรวจสอบบอกได้อย่างเดียวว่ามันเป็นลักษณะของศพตายซ่าที่ผิดแปลกไปจากศพมัมมี่ของอียิปต์อย่างที่เคยเห็นมาพันปีมาเรียอุทานห่อไหลลงกวาดมองไป ร, บรอบๆแอง ฉันไม่มีความรู้ในเรื่องฟิสิกส์ไม่รู้เรื่องมนุษยวิทยาแต่ฉันก็จะพอมีความรู้สึกในภูมิประเทศของป่ารับรองได้ว่าแอ่งน้ํานี้มีอายุเพียงไม่ถึงร้อยปีเท่านั้นมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติทําให้เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงระยะสั้นๆเพราะฉะนั้นมันจะต้องไม่เป็นแหล่งดั้งเดิมที่ศพนี้นอนอยู่แน่ๆศพเก่าแก่โบราณจริงแต่มันจะต้องมีอะไรชนิดหนึง่งเพิ่งจะเคลื่อนย้ายศพให้มาวางอยู่ในนี้เมื่อไม่นานมานี้เอง มิฉนั้นมันจะนอนแช่น้ำตื้นๆให้เราเห็นอย่างนี้เพียงแค่5ถึง60ปีก็จะต้องจมดินหายไปแล้วอยากจะยืนยันด้วยเสียซ้ำว่ามันเพิ่งจะมาอยู่ในแอ่งน้ำนี้เพียง2ถึง3าวันเป็นอย่างช้ามิฉะนั้นตะไคร่น้ำก็ควรจะจับศก บ, บ้างหรือคุณคิดอย่างไรภายวันประโยคหลังหล่อนหันไปถามพานใหญ่โดยเร็วสีหน้างง ง, งันไปหมดรพินเองก็ตกอยู่ในอาการเดียวกันพูดเสียงแหบตัง ผมมีความเห็นเช่นเดียวกับคุณเมแล้วศพนี้มาอยู่ในแอ่งน้ำนี้ได้อย่างไรชายยานถามพงขึ้นกับทุกคนความเงียบชนิดแทบไม่ได้ยินเสียงหัวใจเต้นอีกครั้งในที่สุดรับพินก็ไหวตัวควักปุี่ออกมาจุดสูบเป็นตัวแรก ผมอยากจะทายตามความเห็นของผมว่าเดิมทีศพอาจจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งในละแวกใกล้เคียงนี้บางทีอาจเป็นสุสานของคนสมัยโบราณที่เคยอาศัยอยู่ในถิ่นนี้แล้วสัตว์มันไปพบเข้าก็คาบมาที่นี่อาจคาบมาหมายที่จะแทะกินแต่เมื่อกินไม่ได้จึงทิ้งซากก็เลยกลิ้งตกลงไปในแอ่งน้ํา หรือไม่ก็เดินลงไปนอนแช่เองเมื่อสักไม่กี่นาทีก่อนหน้าที่เราจะเดินมาถึงเสียงดาวรินพึพรรมพำออกมาอย่างแผ่วเบาที่สุดเหมือนจะพูดกับตนเองห่อไหลลงอย่างสยดสยองพองผลที่เกิดขึ้นอย่างลึกลับ เลวไหลน้อยพี่ชายหันมาดุค่ะพี่ใหญ่น้อยเองก็รู้ตัวว่าเดี๋ยวนี้น้อยพูดเหลวไหลหรือคิดพูดเหลวไหลไปสารพัดอย่างเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างในดงดําที่เราเผชิญกันอยู่และนั บ, บ, นบวันนักวิทยาศาสตร์อย่างน้อยก็อาจจะกลายเป็นบุญคำหรือขยินไปอีกคนเสียงแปลกประหลาดมหาศจารลรรต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้เห็นนอกเหนือพิสดารไปกว่ากฎของดารวิน มันกำลังให้น้อยต้องถอยหลังเข้าคลองเดี๋ยวนี้ไม่มีความมั่นใจอะไรสักอย่างไฮโดรเจน2 ส, ส่วนอาจจะไม่ใช่น้ําอย่างที่เราเรียนมาก็ได้แพทยสาวราชาสกุลตอบมาอ่อยๆอย่างน่าสงสารทำหน้าเหมือนจะร้องไห้และทุกคนก็ไม่มีใครสามารถมองเห็นคำพูดของหล่อนเป็นเรื่องขบคันโดยไม่จําเป็นจะต้องตักเตือนกันเลยทุกคนก็ย่อมตระหนักดีว่าน้ําในแอ่งนั้นไม่ปลอดภัยสําหรับที่จะดื่มกินซะแล้วเพราะศพตายซากที่ลงไปนอนแช่อิ่มอยู่ ว่าแต่จะทำยังไงกันดีน้ำนี่เห็นจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เสแล้วเชวถาถามขึ้นรักผินส่งภาษากับขยินสองสามคำก็บอกว่ามีอยู่ทางเดียวเท่านั้นเดินหาต่อไปขยินมันแน่ใจว่าจะต้องมีแหล่งน้ำอยู่ใกล้ๆนี่เองเอาบุกต่อไปหัวหน้าคณะพูดเสียงหนักๆพวกผ่านพื้นเมืองสาบแช่งสบดสาบานกันพิมด้วยความผิดหวัง แล้วไอ้ผีตายซากนี่หละจะทำยังไงชัยยันถามมองดูซากนั้นอย่างไม่สู้สบายใจนะักทิ้งมันไว้นี่แหละเราไม่มีเวลาพอที่จะจัดการยังไงกับมันได้ทั้งสิน้นทั้งคณะผะาจาักแหงน้ำนั้นรุดหน้าต่อไปอย่างเสียดายขยินคงทําหน้าที่นําทางค้นหาต่อไปแต่แล้วออกเดินกันมาได้เพียงครู่เดียวผานใหญ่ผู้เดินตามหลังอดีตในบ้านหล่มช้างก็ร้องทักมาอย่างสงสัยว่าขยิน ปนของเจ้าหายไปไหนเสแล้วขยินหยุดชะงักกึกเอามือตายไ ป, ไปที่ไหล่อีกข้างหนึ่งทําท่าเลิกลากแล้วร้องลั่นออกมาอย่างตกใจว่าตายละนายขายินวางปืนลืมไว้ที่ก้อนหินริมแอ่งน้ํานั่นไอข้ขยินไอ้ชิบหายเองลืมปืนก็เหมือนเองลืมหัวของตัวเองบุญคําดาเอ็ดเหวี่ยงหาบลงจากลายถิพักเข้าให้ที่กระเบนเนบเชิดถากับชายยันผู้เดินอยู่เบื้องหลังเห็นเอะอะโวยวายกันลั่นก็ร้องถามมาด้วยความสงสัยแล้วก็รู้เรื่องด้วยความหัวเสียครึ่งเดือดครึ่งขัน ไปวิ่งกลับไปเอามาโชคดีเหลือเกินที่เดินมาไม่ห่างนะักบุญคําไปเป็นเพื่อนมันด้วยพวกเราจะหยุดรอที่นี่แหละหัวหน้าคณะออกคําสั่งขยินหน้าม้อยเกาหัวยิกยิกด่าตัวเองแล้วออกเดินย้อนรอยกลับไปยังทางเดิมโดยมีบุญคําด่าขมงโฉงเฉงเดินเป็นเพื่อนไปด้วยทั้งขบวนหยุดพักรอกันอยู่ที่เดิมครูใหญ่ต่อมาก็ได้ยินเสียงฝีเท้า ว, วิ่งห่อแข่งกันมาชนิดป่าแตกพร้อมกับเสียงตะโกนวยวายลั่นทุกคนสะดุ้งหันกลับไปเห็นขยินกับบุญคํา กอดแนมตรงเข้ามาอย่างไม่คิดชีวิตหน้าตาแทบไม่เป็นผู้เป็นคนรับพินกับเชษฐาเพนพรวดออกไปสกัดหน้าคว้าตัวได้คนละคนอะไรการเกิดอะไรขึ้นนายไอ้ผีตายซากนั่นทั้งสองกระหืดกระหอบฟังแทบไม่เป็นภาษามีอาการเหมือนจะช็อกทำไมรับพินตะโกนสุดเสียงขย่าตัวโดยแรงมันมันลุกขึ้นเดินเข้าป่าไปแล้วรอยตีนเปียกน้าของมันเหนย่าไปทางเข้าดงไปมันเดินไปแน่แ่นาย ช่วขณะหนึง่งที่คณะทั้งหมดยืนนิ่งเหมือนถูกสาปลงให้เป็นหินแทบไม่เชื่อหูตนเองจากเสียงโวยวายบอกเล่าฟังไม่เป็นภาษานั้นทุกคนมาไหวตัวก็ต่อเมื่อมาเรียผู้ไม่รู้ถามเร็วปือขึ้นดาวรินอธิบายให้แม่มสาวฟังในคำบอกเล่าของบุญคำกับขยินแม่มสาวร้องลั่น impossible และหลังจากนั้นตัวมาเรียเองก็ยืนตะลึงไปเช่นเดียวกับคนอื่น เชิดาเข้ามาจับไหล่บุญคําผู้กําลังหอบตัวโยนกดแน่นด้วยมืออันแข็งแรงเหมือนจะสะกดให้ตาพานเท่าหายตื่นเต้นตกใจลงแล้วถามด้วยเสียงอันหนักแน่นมั่นคงเป็นปกติที่สุดบุญคําเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแล้วก็เป็นพรานใหญ่ที่สุดรองลงมาจากละพินเอาละ่ะและงับความตกอกตกใจลงเสียและตั้งสติให้ดีที่สุดครับนายใหญ่ครับบุญคํารู้สึกดีแล้วแกพยักหน้าสํารักออกมาแต่ตาขาวที่ล็อกแลกอยู่ไปมา ศพตายซากนั่นหายไปแล้วงั้นหรือครับมันมันตัอไปแล้วเสียงของแกติดอ่างกุกกักไม่มีครั้งใดที่บุญคำจะตกอยู่ในอาการเช่นนี้ เข้าไปพิจรารณาดูให้ถี่ถ้วนหรือเปล่าว่ามันหายไปได้อย่างไรหรือพอมองไปไม่เห็นมันนอนอยู่ที่เดิมก็วิ่งตาแหกมานี่ผมเข้าไปดูจนใกล้เลยครับนายใหญ่ดูตรงที่มันนอนอยู่ตั้งแต่แรกแล้วก็มองหารอยไปทั่วๆให้บุญคําตายอย่าได้เห็นพระเถอะรอยมันลุกขึ้นแล้วเดินหายเข้าป่าไปจริงๆหัวหน้าคณะสันหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวเป็นไปไม่ได้บุญคําไอ้ผีตายมาเป็นพันปีตัวนั้นจะลุกขึ้นมาเดินได้อย่างไรถ้าแม้ว่ามันหายไปจากที่นั่นจริงๆก็จะต้องแปลว่ามีอะไรชนิดหนึง่งมันเคล่อน ย้ายมันไปอาจจะเป็นสัตว์อะไรย่องมาฆ่าไปตอนที่พวกเราคล้อยหลังมานี่ทำไมไม่ดูให้ทั่วทำไมถึงวิ่งตาแหกมาอย่างนี้ถามขายินตะพานเท่าเสียงลั่นไปหมดชี้มือไปทางเจ้านายบ้านหลมช้างซึ่งบัดนี้หน้าตาแทบไม่เป็นผู้เป็นคน บุญคำก็พูดอะไรไม่ถูกแล้วบุญคำตรวจดูจนทั่วตรวจดีที่สุดแรกก็นึกว่าเสือมันย่องมาคาบแต่ไม่มีร่องรอยเลยมีแต่รอยตีนเปียกน้ําของมันย่าเป็นทางไปในายใหญ่รู้ดีคนอย่างบุญคำไม่เคยพูดโกหกไม่เคยกลัวอะไรมาก่อนแต่คราวนี้บุญคำหัวใจกําลังจะหยุดเต้นว่าแล้วแกก็หลับตาลงทําหน้าเหมือนจะตายเอาจริงๆเช็ดทามเม้มปากแน่นขมวดคิ้วย่นหน้าไปจ้องหน้าพรานใหญ่ผู้บัดี้ยืนนิ่งเหมือนปราศจากชีวิตเ อ, อ่ยเรียกนามเขาด้วยเสียงหนักลึก ่านใหญ่ไวตัวแล้วบอกสั้นๆว่าไปดูกันเถอะครับ ขาดคําเขาก็สาวเท้าโดยเร็วนําหน้าเลี้วไปก่อนอย่างรีบร้อนทุกคนก็วิ่งตามหลังมาหมดทั้งคณะพวกลูกหาบทิ้งกองสัมภาระไว้ตรงนั้นเองมีแต่ปืนที่ติดมือกันมาเท่านั้นแล้วต่างก็หยุดชนะกกึกอยู่กับที่ไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อมาถึงบริเวณแอ่งน้ําที่เดิมทุกสายตาที่พุ่งปาดไปแลไม่เห็นศพตายซากอันจําได้ว่ารับพินลากขึ้นมานอนอยู่บนพื้นริมหินใหญ่ด้านซ้ายมือแล้วก็วิ่งพลูกันเข้ามาทั้งคณะช่วยกันพิจารณาหาร่องรอยตามพื้นบริเวณนั้นอย่างละเอียด ท่วนที่สุดด้วยใจระทึกทุกสิ่งทุกอย่างตรงตามคําบอกเล่าของบุญคํากับขยิงไม่มีวี่แววของอะไรจะแทรกแซงเข้ามาทั้งสิ้นรอยเปียกน้ำของซากศพที่ผ่านใหญ่ลากขึ้นมาแต่แรกมีรอยเคลื่อนจากที่พอเลือให้เห็นได้จางๆแต่ก็ไม่อาจวินิจฉัยว่ามันเคลื่อนที่ด้วยตัวของมันเองหรือว่ามีอะไรมาแตะต้องพื้นรอบด้านแห้งแข็งส จ, จนไม่ทิ้งอะไรไว้ให้สังเกตได้ ระพินก้มลงพิจารณาที่รอยนั้นอย่างพยายามใช้ความใคร่กลวนและความสามารถของเขาทั้งหมดหน้าผากย่นเต็มไปด้วยริ้วรอยกังขาสุดที่จะข่าวและทุกคนก็มองมาที่เขาเป็นตาเดียวเพื่อรอการวินิจฉัยต่อมาเขาก็โบกมือเป็นสั ญ, ญญาณให้กับคนอื่นๆแอบรวมกลุ่มกันมาอยู่เฉพาะที่หนึ่งเพื่อสะดวกในการค้นหารอยตนเองกวด ตามมองไปรอบๆตามพื้นรอบด้านแล้วถอยห่างออกมาอึดใจต่อมาก็พยักหน้าเรียกบุญคํากับขยินเข้าไปถามว่าตรงไหนที่เห็นว่ารอยเปียกน้ําของมันเดินไปสองคนหันไปพูดปรึกษาหา ร, หรือกันแล้วบุญคําก็ชี้ตรงพื้นบริเวณเบื้องหน้าเขานี่แหละครับตรงนี้แหละตอนที่บุญคํากับขยินมาดูมันยังเป็นได้รางๆตอนนี้มันคงแห้งไปซะแล้วเพราะพื้นแห้งมาก แล้วแกก็เลยชีย้เลยต่อเข้าไปในดงถาวันโน้นมันบ่ายหน้าไปทางโน้นจอมพานซุดตัวลงอีกครั้งเอานิ้วแตะดินคมดูแล้วสั่นศียะช้าช้าอย่างมึนงงไปหมดไม่เห็นมีเขาเลยบุญคำแล้วมันก็หายไปไหนลานายบุญคำย้อนถามมาพานใหญ่ค่อยๆลุกขึ้นยืนเอาหลังมือเช็ดริมฝีปากขณะนั้นคณะนายจ้างและลูกหาบอื่นๆที่ยืนหลีกทางรวมคุมกันอยู่ทางหนึ่งก็เคลื่อนตรงเข้ามา มีรอยเคลื่อนไหวตรงตำแหน่งที่มันนอนอยู่ครั้งแรกนั่นเท่านั้นเขาพึมพำกับทุกคนขึ้นเบาๆตายัางกลาดไปรอบๆแต่รอยตีนอันจะยืนยันว่ามันเดินไปเองตามที่บุญคำว่ายังหาไม่พบไม่มีหลักฐานอื่นใดที่จะสันนิษฐานให้ได้ทั้งสิ้นมันลึกลับเหลือเกินแล้วจะให้เข้าใจได้อย่างไรชัยยันพูดเหมือนกระซิบก็ยังไม่มีเหตุผลอะไรมากไปกว่าที่ควรจะลงความเห็นว่าสัตว์มาเคลื่อนย้ายมันไปอาจเป็นเสือมาคา เขาพูดเหมือนจะไม่มีอาการตื่นเต้นพิศวงหรือสนใจอะไรมากนักแต่นั่นมันเป็นอาการเสแสร้งเพื่อตัดกังวลข้อคิดอย่างไม่สบายใจของทุกคนเสียแล้วก็แทบจำนนเมื่อมาเรียแยง้งเสียงสั่นเครือว่าภายวันฉันเชื่อว่าคุณคงเห็นลักษณะการคาบเหยื่อของเสือมานับไม่ท้วนแล้วศพตายซากนั่นไม่ใช่ก้อนเนื้อเล็กๆที่หนักเพียง 2-3 งกิโลชนิดที่มันจะคาบติดปากนำเลี้วไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้เห็นกะประมาณคร่าวๆว่าน้ําหนักของซากไม่ต่ำกว่าหกสิบ กิโลกรัมส่วนสูงร่วม6ฟุตเสือมันเอาไปได้แต่มันก็ต้องลากไปเราควรเห็นรอยของซากที่ถูกลากไปกับพื้นด้วยจอมพานฝืนยิ้มเข่นเข่นเมบางทีคุณอาจยังไม่รู้ว่าเสือใหญ่มีวิธีเอาเยอะของมันไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้ให้พบได้โดยวิธีอันแยบยลที่สุด การพายเหยื่อของเสือผิดกับสิงโตมากเพราะสิงโตจะใช้วิธีคาบลากไปกับพื้นธรรมดาแต่เสือที่ฉลาดถ้าไม่ต้องการจะทิ้งร่องรอยมันจะใช้วิธีนําเหยื่อไปในลักษณะขึ้นคาบขึ้นแบกอย่าว่าแต่ซากศพที่คุณคํานวณน้ําหนักไว้เพียงแค่นั้นเลยวัวหนุ่มชกันทั้งตัวหนัก 500-600 กิโลมีข้อกั้นสูงตั้ง6ฟุตมันยังสามารถนํำซากวัวกระโจนข้ามรั้วหายออกไปได้โดยรั้วไม่พังเลยแม้แต่นิดนี่ย่อมแสดงให้เห็นว่าเสือมีวิธีเอาเหยื่อของมันไปได้ในแบบที่เรา แทบจะไม่เชื่อเลยเส้อไม่ได้อะไรการไม่จริงมั่งที่คุณว่านั่นน่ะแบ่สาวร้องเสียงสูงถ้าคุณไม่เชื่อผมแล้วคุณจะเชื่อใครในเรื่องเช่นนี้ลองถามบุญคำหรือสางตาของคนของคุณดูเสือมีความสามารถในการนำพาเหยือได้น่าอัศจรเพียงไหน มาเรียหันไปซักเพื่อจะหาข้อเท็จจริงให้ได้ในคำบอกเล่าอันหล่อนไม่เคยพบเห็นหรือได้ยินมาก่อนนี้ทั้งบุญคำและส่างปายืนยันเป็นเสียงเดียวกันจริงในแม่มเชื่อพานใหญ่เถอะส่างปาเคยเห็นเสือตัวหนึง่ง คาบควายตวัดขึ้นหลังพาเดินไปคนของหลอนยืนยันสนับสนุนมาถามจริงๆเธอในพรานคุณแน่ใจที่สุดหรือว่าเสือคาบซากเจ้าผีตายซากนั่นไปดาวรินกระซิบถามน้ำเสียงจริงจังทุกร้อนจ้องหน้าเขาโดยไม่ยอมเปลี่ยนสายตาเหมือนจะพยายามอ่านความรู้สึก ก็มันไม่เป็นเหตุที่ควรสันนิษฐานดีกว่าที่จะคิดว่าเจ้าผีตายซากนั่นลุกขึ้นมาแล้วเดินไปด้วยตัวของมันเองงั้นไม่ใช่หรือหูือคุณหมอดารินกล้าที่จะมีความเห็นว่ามันเดินหนีไปเองภายหลังจากที่พวกเราคล้อยหลังหญิงสาวนิ่งงันกล่าวอะไรไม่ถูกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าหลั่งหลั่นี่เองห่างไม่เกินสิบนาทีนับตั้งแต่ทุกคนพระจากซากของมันเพื่อจะเดินทางต่อไปพอย้อนกลับมาพบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหตุมหัศจรรย์แปลกประหลาดมันเกิดขึ้นสดๆร้อนๆอนและมาพบเห็น หรือรู้ตัวต่อตัวในสิ่งอันผิดปกติธรรมชาติเช่นนี้ก็เพราะความบังเอิญที่ขยินถูกใช้ให้ย้อนกลับมาอบอปืนสั้นซึ่งมันลืมตั้งทิ้งไว้หากไม่เช่นนั้นทุกคนก็จะไม่รู้ตัวว่าศพตายซากมีอันเป็นให้ถูกเคลื่อนย้ายหายไปจากที่เดิมอย่างลึกลับที่สุด ใช้ถารผจนกับปัญหาเพื่อสรุปข้อวินิจฉัยจนเส้นขึ้นโปนที่ขมัดส่วนชา ย, ยันยอมรับสารภาพกับตนเองบังเกิดอาการหนาวหนาวร้อนร้อนผิดไปกว่าทุกครั้งพยายามจะทำใจให้คล้อยตามคำพูดของพานใหญ่แต่ก็โกหกตัวเองไปไม่ได้สำหรับพานพื้นเมืองทุกคนไม่ต้องสงสัยต่างพากันขวัญเสียไปหมดสังเกตเห็นได้จากแววตามองหน้ากันเองลอกแรก มันปรากฏร่างนอนแช่ให้เราเห็นอยู่ในแอ่งน้ำที่เราหวังจะพึ่งใครคนหนึ่งในกลุ่มนายจ้างคลางออกมาเบาๆที่สุดเหมือนจะพูดกับตนเองแล้วถ้าสมมุติว่าในแอ่งน้ำข้างหน้าดันไปพบมันนอนดักแช่อยู่อีกจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ขอให้เราพบมันอีกนะครับปัญหาที่เราสงสัยทั้งมวลมันจะได้หมดสิ้นไปเพราะถ้าพบมันอีกเมื่อไหร่เราก็ควรได้หลักฐานแน่ชัดลงไปว่าที่มันหายไปจากที่นั่นโดวยวิธีใดผมกลัวแต่เพียงมันจะสูญหายไปเสฉยๆทิ้งให้เรางงเป็นการบ้านอยู่นี่เองผ่านใหญ่กล่าว ดารินคุ้นคิดกังวลหนักกว่าคนอื่นหล่อนขยับปากเหมือนจะเอ่อยอะไรออกมาอีกแต่แล้วก็ระงับเสียเพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์คงไม่มีใครหันมาสนใจกับถ้อยคำหรือความรู้สึกอันร้อนรุ่มกระสับกระส่ายของหล่อนในขณะนี้นักเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นความน่าสะดุ้งใจคิดว่าหล่อนเป็นผู้รู้เห็นอยู่คนเดียว ขณะที่หลอนเหลือไปเห็นชายลึกลับคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาจากซุ้มถาวรหลอนเห็นอยู่คนเดียวโดวยไม่มีใครร่วมเห็นด้วยจะยืนยันสักเพียงใดว่ามันเป็นใบหน้าเดียวกับศพที่ทั้งคณะมาเห็นนอนแช่น้ำอยู่คราวหลังยยก็ย่อมไม่มีใครเชื่อนอกจากเมาว่าหลอนตาฝาดจาคลาดเคลื่อนไปเองดังที่หลอนกล้า ย, ยืนยันสาบานได้ มีเหตุผลที่หมอดารินจะเชื่อกับตนเองอย่างมั่นคงว่าศพนั้นเคลื่อนไหวด้วยตัวของมันเองได้ก็คือการมาพบมันสูญหายไปจากที่เดิมนั่นเองเหตุผลข้อนี้ยันตรงกันได้กับการที่หล่อนมองเห็นมันโผล่หน้าเป็นครั้งแรกก่อนที่จะมาพบนอนอยู่ในแอ่งน้ําถ้าแม้ว่ามันเป็นซากดุดท่อนหินตามสภาพอันควรเป็นของมันฉไหนเลยเล่ามันจะโผล่ให้หล่อนเห็นในครั้งแรกแล้วก็เคลื่อนตัวหายไปในครั้งสุดท้ายนี้ได้อย่างไร ขณะเดียวกันหล่อนก็ย้อนถามตนเองว่าถ้าเป็นอย่างที่หล่อนระแวงวันจิงไซไอผีดิบพันปีตัวนั้นมันจะเคลื่อนไหวตัวได้ด้วยระบบอะไรลักษณะที่มันมาปรากฏตัวนอนแข็งทื่ออยู่ในแองน้ํานั้นก็เหมือนกันทําไมจะต้องเป็นเช่นนั้นที่อื่นมีอยู่ถมไปทําไมไม่นอนดันมานอนในแองน้ําที่ทุกคนมุ่งมาเพื่อจะดื่มกินจะเป็นไปได้ไหมที่นั่นเป็นเจตนาประสงค์ร้ายแกล้งให้ทุกคนไม่กล้าใช้น้ําแองนั้นทั้งทั้งที่กําลังอับจนต้องการน้ําเป็นที่สุด มาตกลงกันไว้ก่อนดีกว่าในที่สุดหล่อนก็เอ่ยขึ้นพยายามบังคับเสียงไม่ให้สัน่นถ้าเราพบมันอีกในหนทางข้างหน้าจะทํำยังไงกันดีก็ไม่เห็นจะยากอะไรเลยนี่พี่ชายเป็นคนตอบยิ้มให้อย่างปลอบใจเขาเข้าใจความรู้สึกของน้องสาวดีถ้าเห็นมันกําลังเคลื่อนไหวได้อย่างที่น้อยระแวงก็กรอกลูกปืนเข้าไปถ้ามันนอนแข็งทื่อที่เราพบในแอ่งน้ําน้อยเป็นหมออยู่แล้วลองตรวจมันดูให้แน่ๆอีกครั้งว่าอะไรบ้างที่ทําให้มันเคลื่อนไหวได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ชาปนกิจ เขาจะให้เป็นขี้เท่าจะได้หมดกังวลว่ามันจะย่องไปนอนดักหน้าให้เราเห็นอยู่อีกค่ะ ก, ก็ง่ายดีแต่บอกกล่าวก่อนถ้าพบเห็นมันอีกน้อยอาจจะช็อกเป็นคนแรกหล่อนกระซิบไม่ได้พูดเล่นมาเรียอกแขนมาประคองหลังกอดเบาๆไม่หรอกที่รักเธอไม่ใช่คนขวัญอ่อนถึงเพียงนั้นฉันและพวกเราทุกคนรู้ดี อย่างคุ้นเคยและตายด้านต่อเหตุการณ์อันเลวร้ายที่จะมาในรูปต่างๆสารพัดชนิดไม่มีใครปรีป่าถกเถียงหรือวิตตกวิจารณ์ใดๆต่อไปอีกให้เสียเวลาสิ่งเดียวที่จะคำนึงถึงก็คือความปลอดภัยเฉพาะหน้าเท่านั้นทั้งหมดพระจากที่นั่นย้อนกลับมายัางตำแหน่งสัมภาระที่ทิ้งกองอยู่แล้วออกเดินทางต่อไปแต่แน่ละ่ะหลายตนหลายคนอาจจะฟุ้งซ่านอยู่ในความคิดภายใต้ ความคิดของตนเองตามลำพังแม้แต่ระพินภัยวันเองยกเว้นแต่ว่าจอมพานใจเพชรอย่างเขาร่างกายและจิตใจถูกหล่อหลอมมาเป็นอันดีแล้ว เช็ดาวาราริทเดินคุมอยู่ท้ายขบวนตามเคยเวลามันจะผ่านไปนานสักเท่าใดเขาก็บอกไม่ถูกนะในสภาพของร่างกายที่เคลื่อนไหวเหมือนจักรกลนั้นคั้นแล้วจะด้วยประสาทส่วนที่6หรือลางสังหรณ์ก็ตามหัวหน้าคณะเงยหน้าขึ้นจากอาการที่เดินก้มอยู่นั้นขึ้นทันทีเขารู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นลงในบันดลชายยันเป็นคนรองรั้งท้ายและบัด น, นี้ห่างจากเขาไปเบื้องหน้าประมาณ10กว่าก้าวกำลังจะพ้นหินก้อนใหญ่ที่งอกอยู่ริมทางส่วนตัวเขาเองขณะนี้เดินมาเพิ่งจะถึงขอบของ โขกหินอันปกคุมด้วยพุ่มไม้เตี้ยเตี้ยลูกนั้นก็จางหน้าประสานตา ก, กันเข้าพอดีกับศีสษะของอะไรชนิดหนึ่งใหญ่ขนาดกระบุงขึงขึงดำสนิทแยกต่างหาออกไปจากพุ่มพงสีเหลืองฟางที่ปกคุมอยู่ดวงตาสีเขียวเข้มขนาดผลส้มคู่นั้นจ้องเขาอยู่ก่อนแล้วห่างขึ้นไปเพียงไม่เกิน20ฟุตป่าก็ดูเหมือนกับว่าจะมืดรูปลงในบัดนั้นเหมือนตะวันดับ